วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สองเดือนกุมภาตรงกับวันแรมเข้าคําเดือนงี้บ้านหลวงพ่อเดือนงี้ทางนี้เราเดือนสองบ้านหลวงพ่อถ้าว่าเดือนนี้เนี่ยรู้เดือนเจียงเดือนนี้เดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหก เดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบพูดได้ขนาด้ถ้าพูดเดือนมกราคุมภามีแต่ที่ไม่ค่อยรู้เดี๋ยวนี้ก็รู้กันแล้วแต่ธรรมเนียมปรับเพณีบ้านหลวงพ่อคือเดือนคู่ยังปลูกบ้านแปลงเดือนได้ถ้าเป็นเดือนเี er ่็กแลปลูกบ้านแปลงเดือนไม่ได้ปัเหาพอไปงงานสมรดก็เช่นเดียวกันห้าม ประเพณีอันห้ามไม่ให้แต่งงานสมรดหยกไม่ให้เอาหัวเอาเนื้เดือนที่แบบมันไม่ดีอะไรอย่างงี้เดี๋ยวนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะสังคมมันหมุนมามันก็ต้องไปตามสังคมเขาเดียววิวัฒน์พัฒนาเดี๋ยวนี้คนส่วนมากมุ่งหวังในการพัฒนาถนนหนทางพัฒนาบ้านเมือง ให้บันดีขึ้นถ้าคนใดไม่มีการพัฒนาถนนหนทางบ้านเมืองแล้วบ้านเมืองนั้นไม่จเจริญเลก็ดีเหมือนกนแต่ไม่เคยพูดเรื่องจิตใจคนตามปกติลวงพ่อเคยจะพูดที่ไหนก็พูดจะเรื่องจิตใจคนเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องบ้านเรือนเสื้อผ้า มีมากไปแลนะ้วหรหรามีโรงงานโรงอุตสาหกรรมขึ้นในเมืองไทยคนต้องมีงานทําการอยู่การกินการนั่งการนอนรถมีเข้าไปทุกบ้านแต่สมัยเมื่อหลวงพ่อยังเป็นเด็กโรงเรียนไม่มีถนนยังก็เดินด้วยเท้ารถจั ก, กรยานยังไม่มีจะด้วยนะครับเมื่หลวงพ่อเป็นเด็ก เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนก็มีถางรถยนต์เข้าถาังบ้านไปเรื่อยบางทีบ้านนอกก็มีรถรถยนต์เดียวนี้มีมีประจำกับทุกบ้านนเะั่นเองการพัฒนามันเร็วที่สุดเรื่องโลกเรื่องสังคมเพราะมันเป็นสิ่งที่มองเห็นด้วยตาเรว่างสิ่งแวดล้อมเห็นด้วยตาฟังด้วยหวูแต่สิ่งที่ทุกคนควรจะนึกถึงว่ากความทุกข์ไม่ค่อยนึกถึง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 ญาติโยมไปทําบุญมากๆเข้าใจว่าอย่างนั้นเป็นศาสนาเจริญเข้าใจไหมสร้างโบชสร้างวิหารตัวเองนี่อีกคนหนึ่งเคยสร้างโบสถ์ผลเดียงอีกหลังหนึ่งไปด้วยแล้วขึ้น่าอันนั้นทําให้พุทธศาสนาเจริญตายแล้วต้องไปเกิดสวรรค์ตายแล้เข้าไปนิพพานเนี่ยเข้าใจอย่างนั้นจริงๆอันเนสําคัญมากแต่คนอื่นนั้นอาจจะเข้าใจยังไงไม่ทราบต่อเมื่อมา ศึกษาตัวเองดูแล้วมันเป็นเพียงสมมติตนเองอันนั้นมันเจริญจริงแต่จิตใจไม่เจริญเมื่อสร้างโบสถ์ขึ้นมาแล้วก็ยังมีการพอใจไม่พอใจยังมีการทะเลาะวิวาดกับเพื่อนๆนได้อยู่ตัวหลวงพ่เองอเองมื่อมาคำนึงคำนวณดูโอ้เรื่องนั้นมันก็ดีแต่มันเป็นเพียงของคนให้โลกมองเห็น คนนักหน้าสู่ตาเป็นการสร้างซื้อเสียแต่กลัวจริงอันนั้เป็นการสร้างซื้อเสียมันก็เป็นการสร้างซื้อเสียงสร้างซื้อเสียเข้ามาสร้างซื้อเสียงเนี่ยคนอื่นลกน้องดีแต่ซื้อเสียของเราคือจิตใจมันไม่ลดละโทสะโมหะโลภะยังไม่ลดละด้วยมันเสียตัวนี้เรื่การสร้างซื้อเสียและการสร้างซื้อเสียมันใกล้กันที่สุดมันเป็นตัวซ้อนเหมือนกันใช่ไหม เป็นเป็นซาเสียได้เป็นเป็นเป็นเป็นเหมือนกันนะครับสละเลียนะครับเนียเสียงกับเสียอย่างเป็นอย่างนั้นทั้งวัดมันใกล้กันเราก็เลยไม่เข้าใจตอนนี้ก็เลยอยากมาแนะนําเพื่อนจะเป็นพระขององค์เจ้าเช่นเดียวกันเป็นญาติเป็นโยมก็เช่นเดียวกันเราควรศึกษาและวิพัฒนาตัวเองบ้างตัวหลวงพ่อเองเนี่ยเป็นหลวงพ่อโชคชอบ พูดเรื่องตัวเองมากไปปฏิบัติธรรมะนี่เป็นโยมเคยพูดให้ฟังบ่อยนะอย่างนี้นะเคยได้ยินบ้างไหมเ <c oughs> อม <c oughs> เคยได้ยินพ่อพูดเรื่อยๆนะี่เป็นโยมไปปฏิบัติธรรมะพระยี่สิบสามลูกโยมห้าคนเป็นผู้หญิงสามคนเป็นผู้ชายสคนไปปฏิบัติธรรมะนอ่ว่าว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอีกแล้วนี่ การปฏิบัติธรรมนั่นน่ะให้ว่าการปฏิบัตินี่แหละไม่เหมือนกันการกระทำจึงไม่เหมือนกันความรู้เหมือนกันนั่นเป็นอย่างนี้เหนว่าคำว่าปฏิบัติธรรมกับปฏิบัติชีวิตเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันเข้าใจไหมชีวิตกับธรรมะเนี่ยคล้ายคล้อันเดียวกันหรือจะว่าอันเดียวก็ได้หรือจะว่าคนละอันก็ได้คนใดมีธรรมะเข้าไปคลองอยู่ที่จิตใจแล้วความทุกข์จะลดน้อยจากนันทีชีวิตก็ไม่มีทุกข์ทันที นี่จริงคนใดไม่มีธรรมะเขาไปคลองใจแล้วทุกเดือดร้อนสับสนวุ่นวายชีวิตก็เป็นทุกข์เหมือนกันแม้จะทําบุญมากๆ mm. นึกว่าตัวเองมีธรรมะแต่ยังมีทุกข์อันนั้นไม่ใช่ธรรมะอันนี้ธรรมะอันนี้ธรรมะคือตัวการกระทํานั่นเองการกระทําด้วยคําพูดอีกอย่างหนึ่งการกระทําด้วยมือด้วยเท้าอันหนึ่ง การกระทําทางจิตใจนึกคิดอันหนึ่งอตาตมาเข้าใจตรงนี้ค่ะว่าธรรมะธรรมะนึ่ไม่ใช่เป็นตัวหนังสือไม่ใช่เป็นพระพุทธรูปไม่ใช่เป็นโบสถ์ไม่ใช่เป็นวิหารไม่เป็นอะไรทั้งหมดคือตัวทุกค น, นเป็นธรรมะแต่ว่าธรรมะส่วนจิตใจนั้นไม่มีใครมองเลยเคยพูดว่าทําดีๆเนี่ยเคยพูดพูดดีๆแต่เคยพูดพูดแล้วไม่รู้เลยเพราะว่าการทําการพูดนั้น มันสั่งมาจากจิตใจทางนั้นล้วนๆทีเดียวก่อนที่จะรู้จักเรื่องนี้ก่อในตอนแรกกาลังเดินกลับไปกลับมาคล้ายๆคือมีคนมาผักกองข้างนี่เลยวูบนเอ๊ะมันเป็นอะไรเรื่องอันนี้มองถึงคนไม่เห็นคนแล้วบนี้นเป็นยังไงเดินกลับไปตลอดคิดขึ้นมาอีกครั้งที่สองนี่รู้โอ้ผมคิดแล้วออมันคิดก็กเลยมา ทำเหมือนแม่ขับหนูเนี่ยจะมาชอบเนี่ยพอดีมันคิดมันเห็นโอ้หนูออกมาแม่มนจาับปั๊บโอมันเหมือนกันเข้าใจอย่างไงเอ๊ะทุกคนก็ทําได้ในเรื่องนี้อ่ะทุกคนต้องทําได้อคําสอนของพระพุทเจ้านี่มันสอนคนทุกคนให้คนรู้จักตัวเองเคารพตัวเองเนี่ยคันว่ารู้จักตัวเองเคารพตัวเองเนี่ยทุกคนพูดได้แต่ยังไม่รู้จักคําว่าเคารพตัวเองนั่นหมายถึงอะไร แต่สมัยนี้เห็นคนไปก็ยกมือไหว้อย่างนี้แต่จิตใจยังฆ่ากันได้นี่มันเพียงทําเป็นรูปกายเป็นเรียกว่าหน้าไหว้หลังรอกเคยคิดบ้างไหมยอย่างเนี้ยเคนยกมือไหว้ใจก็ไม่พอใจอีกแล้วเนี่ยคิดพ้อนใจหัวมันคิดอย่างนั้นก็ดีอันนั้นยังไม่ใช่เคารพตัวเองถ้าเราเห็นเพื่อนยกมือไหว้ตัวเองเราก็ต้องเคารพตัวเองเราทําดีแล้วหรือย่าง ถามตัวเองถ้าเรายกมือไหว้ตัวโอ้เราทําดีแล้วคือเราไหว้ตัวเองยกมือไหว้ตัวเองเมื่อเรายกมือไหว้ตัวเองก็เป็นการยกมือไหว้เพื่อนมนุษย์ทุกคนนี่เป็นการพัฒนาอย่างเร่งรัดที่สุดรวดเร็วที่สุดอนนทุกคนทําได้เ่ยไม่ได้จะทำตั้งแต่คําพูดนะอาตอมาชอบรู้จักเรื่องนี้มาก็เลยชอบพอใจตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงวันนี้ยกมือไหว้ จะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ยกมือไหว้จะเป็นโยมก็ยกมือไหว้เด็กๆยกมือก็ไหว้ได้เหมือนกันพอไม่ได้ยกมือไหว้คนนั้นแต่เป็นการทําไปพร้อมๆกันคือไหว้ตัวเองเห็นว่ามันทําดีแล้วด้วยยังเนี่ยมันไม่ได้มองดูชัดดงไปถึง จ, จิตใจอันนี้แหละความเล็งนัดพัฒนามันเข้าทางตาทางหูแต่ใจเปนไม่เข้าเดี๋ยวนี้นักเรียนไปเห็นครูโรงเรียนหรือไปเจอก็ยกมือไหว้ครู เพื่อนๆมาก็ยกมือว่ากันแต่ยังอิจฉาเลือดหาเบียดเบียนกันมีความทุกข์สับสนวุ่นวายกันเพราะยังไม่เคารพตัวเองนี่เองบัด น, นี้เมื่อเรามามองถึงดี๋างนี้เอะจิตใจมันเป็นยังไงจิตใจมันอ่อนน้อมท้อมตนดีแล้วหรือยังดูเราไม่ถามใครละถามตัวเองนี่แหละอจิตใจมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เห็นในจิตใจเราคนอื่นจะมองเห็นได้ทำไม นี่การปฏิบัติธรรมคือตัวการกระทำนั่นเองอย่พระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแปดหมื่ี่พันพระธรรมขันธ์เดียวนั้นมีพระสูตรตันตปิดดกสองหมืนหนึ่งพันพระธรรมขันธ์มีพระวินยัยตัณฑ์ปิดดกส อ, องหมืนหนึ่งพันพระธรมม ร, 2, 000, ร, ะธรมขั น, น 2, 000, ธน์เป็นสี่หมื่นสองขันธ์เนี่ยวั่นนี้มีพระอภิธรรมปิดกเดียวนี่ เอหมื 42, ่นสองสามพันพนามขันรวมเป็นแปดหมื่นสี่พันพนมขันแล้วก็ไปเรียนตำล้านตรงนี้ไม่ได้มาเรียนตัวเราเลยเราต้องขยับเข้ามาใกล้ๆมาเรียนตัวเราซะถ้าสูตรคือการกระทำนี่เองด้วยมือด้วยเท้านี่พระวิทย์ไหนคือคําพูดในบังคับมันไว้คําพูดใน ย, ย้มันพูดไปรัวเลยอย่างที่มันไม่ดีนะ่ะบังคับมันไล่ท่านบนอย่างนั้น สองอย่างเนี่ยมันไปนเทียบกับพระพิธรรมพระพิธรรมคือใจเนื้อสั่งให้กายทําสั่งให้คำพูดพูดออกมาเนี่ยเดียงใกล้ๆที่อาตมาพูดอันนี้แหละเรื่องหน้าที่ที่จะามาเล่าสื่วังในวันนี้แล้วก็ได้อ่านหนังสือนี่หนังสือเล่ม น, น, นี้นี่เองเนี่ยไปหาซือยูวนามวันนั้นให้ใครพาไปซื้อไม่ได้อันนี้ใครซื้อมากว่นี้ยันทอกยันทอไปซื้อมาเนี่ย อานให้ฟังด้วยหลวงพาออ่านติดใจดังสือเล่ม น, นี้อ่ะา น, นิสงส์่นมหาสตรริปัฏฐานผู้ใดผู้หนึ่งจเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่นั้นตั้งแต่เจ็ดวันตั้งแต่เจ็ดวันไปจนตลอดถึงเจ็ดปีท่านกล่าวว่าได้อา น, นิสงส์สองประการคือพระอรหันต์ในปัจจุบันศาต ร, ร์นี้สอง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 ตั้งแต่หนึ่งวันไปถึงเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันไปถึงสิบห้าวันทำให้จิดต่อกันเหมือนลูกโซ่เสมมีอลนกสงสอง่ปากกาตัวเองกบภูมิใจไว้อย่างนั้นอันนี้อาจจะมาพูดด้วยวิธีเทคนิคและกลไกของที่ตัวเองได้ศึกษามาไม่ถึงเจ็ดปีรับรองบอกว่าไม่ถึงเจ็ดปีแต่พระอาหารหันต์ไม่ต้องพูด เรื่องพระอนาคาก็มีก็ไม่ต้องพูดให้เจริญสติติดต่อโดยวิธีการเคลื่อนไหววิธีใดก็ตามให้มีความรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจทำอย่างนี้หละรับรองว่าไม่เกินสามปีความทุกข์ความสับสนวุ่นวายความเดือดร้อนนั่นแะจะลดน้อยลง ถ้าสมมุติเรามีทุกอยู่ร้อยเปอร์เซ็นะควมทุกอย่างน้อยต้องหายไป6กสิบเปอร์เซ็นจะเหลืออยู่ภายในสี่สิบปเซ็นความหนัก อ, อกหนักใจความไม่สว่างความมืด อ, อยู่ในใจนั่นน่ะมีร้อยเปอร์เซ็นจะมีความสว่างขึ้นมาในเกณฑ์หกสิบเปเนความรู้ก็จะเกิดขึ้นภายในหกสิบเปอร์เซ็นเรื่องหลักพุทธศาสนานี่นึกว่าเข้าใจจริงๆ รับรองได้เรื่องนรกสวรรค์ก็จริงจะรู้เหมือนกันคนใดจเจริญสติแบบนี้แหละเอารับรองมาทจริงจริงกันให้เวลาหนึ่งปีเอากันจริงจริงจังจังจะมีตาทิพย์ขึ้นมาจริจะมีหูทิพย์ตาทิพย์หูทิพย์อย่างที่ตัวอาตมาเอามาพูดให้ฟังในวันนี้ไม่ใช่ตาทิพย์นั่งอยู่ที่นี่ จะไปมองเห็นตับไตไส้ตอดคนนั้นคนนี้ไม่ไช่อย่างนั้นเล้วหูทิพย์ที่นี่ก็ไม่ได้ว่าคนไหนพูดอยู่ที่ไหนฟังรู้จักข้อความทั้งหมดไม่ไช่อย่างนั้นตาทิพย์หูทิพย์อเนกตาทิพย์หมายถึงจะเห็นตัวเองและเห็นเพื่อนเราการทำการพูดการคิดตาทิพย์อเนกจะเห็นเห็นตัวเราจริงๆนี่ตาทิพย์อเนก หูทิก็หมายเถึงว่าเพื่อนเราพูดดีพูดชั่วพูดเป็นธรรมะหรือพูดลอกลวงพูดโกหกจะรู้ตัวเองพูดออกมาก็จะรู้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นหูิศอันนี้จะเป็นสิ่งที่สําคัญทุกคนศึกษาได้เรื่องนี้ไม่ยกเว้นจริงๆ จ, จะเป็นผู้หญิงก็าตามผู้ชายก็าตามเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็าตาม จะเป็นคนละที่ไหนถือศาสนาไหนก็าตามเพราะตัวเองเป็นโยมเนี่ยไปปฏิบัติรู้เหมือนกับแต่ไม่เหมือนกันนะแต่ว่ารู้ทำไมว่ารู้เหมือนกันนึกได้อันนี้นึกได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้ตัดทั้งหลายคือเราแตถาคดไม่ใช่คือคนอินเดียนะคาว่าคือเราแตถาตทั้งหลายเหมือนกับเราแตถาคด ไม่ใช่เหมือนกันนะแต่ว่าคือกันที่ตรงไหนคนอินเดียก็มีตาสองตาหรือคนอินเดียมีกิ่ตามีตาเดียวหรือสองตาสองตาคสองตาเออเหมือนกันนะเออวันนี้มีแขนเลยแขนสองครับสองแขนสองหูงงหครับเหมือนกันไหมเหมอเออเนี่ยนี่เนี่ยสำคัญเราไม่เข้าใจว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราจะทุกคือกันแต่ว่าสูงดำต่ำขาวไม่คือกันเรื่องธาตุสขันห้า อ, 12, 5, 18, อันตนาสิบสองธาสิบแปอินทรีย์ยี่สิบสองอริยปฏีปฏิจะสมุขบาทมีเท่ากันอันนั้นเป็นตำราเนีนะนะเป็นตํารานะีไม่ได้เอาตัวจริงมาพูดนะคันห้าเขาว่ารูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนั้นก็เป็นตานะําราเราไปเห็นรูปที่อื่นเน่ยอาจารมาเคยรู้มาไม่เคยรู้รูปตัวเองเลยนี่อันจตนะก็ตาหูเนี่ยรูปเสียงเนี่ยมันมาโค้กกันเลย จกักขูทาสโซตาธาจากักขูโสตาคณะสิวหาไปเนี่ยอันละสามละสามกะรีวัตธาสิแปดสามหกก็มีสิแปดแล้วเนี่ยมันเป็นอันเดียวมีเหมือนกันยังว่าออคนไม่รู้เท่านั้นเองดังนั้นที่ว่าการพัฒนานั้นต้องลงมือพัฒนาตัวเองก่อนถ้าจะไปเรี้ยงนักพัฒนาถนนหนทางนั้นความสับสนรุ่นวายความเดือดร้อนนั้นจะลดน้อยลงมา แต่คงจะไม่ได้ถึงร้อยเปเถ้าหากเรามาพัฒนาตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองความทุกข์ความสับสนวุ่นวายร้อยเปอร์เซ็นตนี้อาตมาเขาจะว่าหกสิบเปอร์เซ็นได้อันาทีเมื่อตัวเองไม่มีความทุกข์ไม่มีความสับสนวุ่นวายไม่มีความเดือดร้อนอยู่ที่ไหนเัาก็เย็น เพื่อนทุกคนก็ต้องการเย็นไหมหรือต้องการร้อนมนุษย์ทุกชาทุกภาษาทุกเพศทุกใบต้องการความเย็นเท่านั้นสมมุติต้นไม้เนี่ยไม่ไม่มีใบนะใครจะเพิ่มือนได้เดียวใบมันไม่มีเนี่ยงามันโด่มันร่นลงมาใสเตงว่าเราแขกไปเที่วยวสักห้าต้นไม้มันมีรากใบมันโด่หนาคนเข้าไปอาศัยร่มมันสบายมางเย็นแต่คนมันไม่เข้าใจเรื่องนี้เท่านั้นเองแต่คนซอกหาแต่ต้นไม้เย็น แต่เราไม่เข้าใจความเย็นประเภทนี้ถึงเราจะตากแดดตากลมตากฝนหยุดมันก็ไม่เดือดร้อนเพราะหน้าที่ของคนคืองานคนต้องมีงานทำเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเราหางานให้คนทำแต่งานเรื่องนี้ะไม่ทำเบี้ยก็ไปทํางานตามห้างร้านบริษัทต่างๆ ไ, ไม่พอใจไป แ, แล้วมันร้อน <c oughs> เดี้ยก็ไม่พอใจกับคนนั้นคนนี้งัวหน้าหรืออะไรทะเลาะกันเอาเรื่อยเพราะมันร้อนเลย เนื่องจากเราไม่ได้ศึกษาตัวเองนั่นเองหัวหน้าเขาไม่ได้ศึกษาตัวเองตัวเองเขาไม่ได้ศึกษาตัวเองไปศึกษาตั้งแต่มุ่งหวังตั้งแต่ทางโลกมากทางโลกด้นดีแล้วอาจจะมาไม่ห้าเมื่อโลกดีแต่ทางจิตใจไม่ดีก็เดือดร้อนติดฟุกติดตะรางปุ้นขี้ฆ่ากันตายเป็นอย่างนั้นถ้าหากจิตใจดีมีคุณธรรมคองใจ ถึงว่าโลกถนนหนทางไม่เจริญก็ผ่ไปได้เป็นอย่างนั้นแต่ไปถึงเหมือนกันแต่ว่าความเร็วนะอาจจะไม่เร็วเหมือนกับสมัยที่สี่รถนี้นัตมาเคยเดินทางไปไปบ้านที่เหมือนน้องเดินไปแต่ไม่ได้ถือห่อข้าวสมัยตัวจัตมาเป็นเด็กไปไปบ้านที่บ้านน้องเนี่ยไปถึงก็กินข้าวเลยเรื่อยยังถามอย่างนี้เลยไม่ถามเรื่องอื่นเลยถามเร่กินข้าวกินข้าว บ้านหลวงพ่อกินข้าวเนีมึงกินข้าวเรื่อยๆยังมึงจะไปยังมึงจะถามมันเนี่ยขันบอกว่าไม่ได้กินก็เอ า, าหาแม่ไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะดีนี้ไปต้องมีสตางค์ติดกระเป๋าเข้าร้านอาหารเลยเนี่ยพี่น้องก็รับต้อนกันไม่ได้กินข้าวด้วยกันไม่ได้แล้วจะว่ามันจเจริญหรือมันมันทุดลงจิตใจคนเรื น, นี้อาตามาเขา้าจังหวัดทางโลกจเจริญเงิ น, นทองมีติดกระเป๋าแต่ไม่ได้ดูหน้า แต่ทางจิตใจนี่ไม่เคยก้าวหน้าไม่เคยให้มันพัฒนาขึ้นมามันสุดไปสุดไปสุดไปคนที่พูดกว่ายิงเอาคนที่ทำกว่ายิงเอาคราวหนึ่งอาจมาที่อยู่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยเป็นคนจังหวัดอุดรพวกคุณดายินที่นั้นแล้เรื่อยอย่างที่นั่นที่เขาเปิดร้านบอกเขานิมนต์พระเก้าลูกไปสวดเปิดป้าย แต่อาตมาก็มีนโยบายาพาไปบินข บ, บายได้หมดเลยอาตมาไปคนเดียวแต่คนที่ไม่ไปอาตมาก็ไม่ต้องออกมาไปคนเดียวเขาอยากให้ไปสวดเก้ากมอืคแล้วก็อยากให้เปิดป้ายให้พ่อตาแม่ยายเขาอาตมาก็ไปไปสวดให้ฟังไม่รู้เลยพูดนโมทัสสาก็ไม่รู้พูด ท, ทางธรรมังสังขังก็ไม่รู้แต่รู้แต่ไม่รู้ แจะรู้แต่ภาษาบาลีแต่ไม่ได้จะรู้ทํามก็เลยถามแป่ให้ฟังกระถามสวดให้ฟังแล้วบรรเนียใต้เลยทาตัวโตๆอย่าทำตัวเล็กยกสูงๆคนไปแล้วให้คนเห็นป้ตยตัวโตๆแล้วจะได้ซื้อง่ายขายดีแต่อยาขายแพงมากเกินไปแล้วก็เอากำไรก็จะเอามากแล้วก็ลูกน้องคุณมีห้าคนอย่างนี้ ถ้าหาว่าลูกน้องคุณให้เขาเดือนละสมมุติเอาหน้านี้พันห้าคุณเอาคนเดียวสามพันมันก็แย่แล้วนี่ยเขาได้พันห้าตัวเองเอาคนเดียวสามพันตัวเดียวตัวเองเอาสองพันก็ยังดีนะเอาเล้นลูกน้องจากห้าร้อยไปยังไดนะ้ถ้าหากคิดดีๆเอาเงินจำนวนนั้นมาเสียแบนเขาให้เขาได้อยู่ดีกินดีบบบ น, นี้เมื่อเขาได้อยู่ดีกินดีเขาก็มุ่งหวังในงานให้มันก้าวหน้าขึ้นมา คุณไม่ต้องไปหาลูกน้องอีกแล้ว่ะก็เลยสวดให้ฟังโยจักคุมาโมหามาลาปะโทอันนี้เป็นภาษาบาลีนะคี่แปลว่าท่านพระองค์ใดมีพระปัญญาจักสุขขจัดมลทินคือโมหะเสียแล้วเ่ะคุณไม่รู้ขจัดโมหะตัางหากนะอันนั้นไม่ใช่จะเป็นขังสักดิ์สิอะไรกันมาพูดน้โมตัตาให้ฟัง นโมตัสะอย่างที่เราพูดกันนโมตสะพระวะโตเป็นะข อ, อนกน้อมแดภภ่พรนะปุถุภาคุลนั้นอรหันตโตเป็ผู้ไกลจากสิเลสแต่สมัยเมื่ออาตมาตเป็นเลนอรหัตโตเป็น ว, ตตวัสดกดีสัมมาสมัมพุทธะตัทธนุโดยชอบด้วยตัทธลุเองโดยชอบกขาเป็นคำเดียร์เดี๋ยวนี้เราได้ยกมือไหว้ลูกน้องเสร็จแล้วยกมือไหว้เล่นน้อย ลูกน้องก็ไม่ยกมือไหว้นายจ้างเสียแล้วก็ยกมือไหวไ้น้อยแต่ยกมือไหว้แต่จใจมันไม่ไหว้อันนี้แหละคือมยังไม่ได้พัฒนาจิตใจอย่างที่พวกเรามาที่นี่อาตมาอยากให้พัฒนาใจิตใจในวงคารของเราในน้อยแต่ว่าพัฒนาก็ได้แต่ว่าสังคมนิยมก็ได้แต่ว่าการเจริญก็ได้คําว่าเจริญก็แปลว่าให้มันก้าวหน้านั่นเอง อย่างที่มีบนพระเก้าองค์ก็หมายถึงการเก้าหน้าแต่มันไม่ก้าหน้าเอาภาพไปสวดเก้าองค์ก็ยังทะเลาะกันอยู่ไปเก้าวหน้าทําไมมาอยู่ทางนี้ก็เคยทำหลายครั้งมาแล้วมีบนภาพเก้าองค์ไปสวดเน่ยรู้ไหมบางทีโยมมาสังฆทานที่นี้ต้องการพระเก้าองค์หลวพ่อเป็นคนสิมากเอาหลวงพ่อคนเดียวก็ได้หลวงพ่อเคยพูดเอาพูดเอาตัวเองนก็พูดเอาเองเนี่ยพูดเพื่อทําความเข้าใจนั่นเองเพราะคนมันติดสมมุติมันไม่รู้ คำว่าพระเก้าองค์ก็หมายถึงสังฆคุณเก้าก็ได้หมายถึงทําการเก้าหน้าก็ได้จึงใดทําแล้วก้าหน้าก็ไม่ต้องไปเอาพระมาเก้าองค์ก็ได้เอาพระไปสวดเก้าองค์ทําแล้วมันสุดลงไปสุดลงไปคุณคาเอาพระเ้าองค์ไปสวดนั่นก็คาน้อยที่สุดหรือบางทีอาจจะไม่มีประโยชน์ก็ได้ที่นามาเล่าให้ฟังวันนี้ก็เพราะพูด้วยความจริงใจ ไม่ต้องอ้างเอนอาร์ใส่ต ำ, ตำลักตาราอะไรมากกันเรามัวไปติดตำราการรักษาศีลก็เช่นเดียวกันอเมื่อวานนี่มาพูดกันที่จังหวัดยะขูมนี่เหมือนกันพระสงฆ์องค์เจ้าไปแสดงให้คนอื่นฟังได้ตัวเองไม่เคยกําหนดไม่เคยเตรวจเช็คตัวเองสักทีเลยพอดีโยมาพูดนิดเดียวเอาแล้วโอรกันขึ้นดำแดงขึ้นมาเียผตจมาอดพูดในใจ แต่ไม่ได้พูดออกเสียงดังนั้นเราไม่มีตาทิพย์ไม่มีหูทิพย์เจะมองเห็นผีได้ไหมมองไม่เห็นเลยโยมก็เหมือนกันภาพก็เหมือนกันทางนี้เคยพูดว่าคนที่ใจร้ายใจไม่ดีไอ้ผีเนี่ยเคยพูดบ้างไหมเ ค, เคยพูดน ะ, ะนี่ยจะคนไม่มีตาทิพย์มาจะเห็นไหมก็มองตาที่ย์ว่าใจโกรธใจเป็นผีแล้วก็มองเห็นในเบื้แล้วใครก็เป็นผีได้นะผู้หญิงก็เป็นผีได้แบบนี้ผู้ชายก็เป็นผีได้แบบนี้ ถ้าทรงองค์เจ้า ก, ก็เป็นผีเช่นเดียวกันเป็นเพียงสมมุติเข้าใจไหมบันเนกคนใดทำดีพูดดีหน้ายิ้มแย้มเกี่คนดีใจดีคือพระธรรมเนี่ยเคยพูดไหมเนี่ยแล้วไกนางเนี่ยพูดดีว่าดีแต่งเนื้อแต่งตัวัำนับถือรู้จักข้าบุทําเนี่ยนางนี่คือเสวดา เ, เราไม่มีตาเทปใจเห็นไหมไม่เห็นเลยดังนั้นวันนี้จึงอยาก อยากให้พวกเราศึกษาตัวเองให้มันมีตาคิดให้มันมีหูคิดขึ้นมาตัวเซ็กตัวเองบ้างดังนั้นจึงว่าผีคือการทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วนั่นเองเทวดาคือการทําดีพูดดีคิดดีนั่นเองอันเทวดาอยูสั้นฟ้าเนะี่ยยังไม่ต้องไปนรกใต้ดินยังไม่ต้องไปเราต้องมองเห็นเดโยวนี้ก่อนพอดีบางคนโอ้ใจ เ, เป็นผีแล้ว มันจะไปนรกแล้วก็ดุกกันเสี้ย เ, เ, เล็กนิดน้อยเป็นธรรมดาใจมันดียืดแย้งจะโอ้เทวดาเป็นอย่างนี้เนาะแล้วเขต้องรู้จักเล็กล่างขายตัวเองออคนใดมีหินิโอตะปะก็เป็นเทวดาได้ทันวันยางไงดังนั้นธรรมะอันนี้ควรที่เข้าไปอยู่กับจิตใจคนควรเข้าไปอยู่กับครอบครัวของคนแล้วควรเข้าไปอยู่กับพระสงฆ์องค์เจ้า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 มันก็เคีื่อเล่นไปในใกล้มไม่รู้จักเพศไม่รู้จักสินเนี่ยการรักษาศินก็เช่นเดียวกันอาตมาเคยรักษาอุโบสถสินมาตั้งเต็มว่าเป็นนมแต่ไม่รู้นี่ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วจะได้สินมือนกันได้อย่างที่สมมุติพูดถึงทันเนีมมยการทํากรรมฐานก็นั่งได้สงบแบบแต่สงบแบบนั้นมันไม่ใช่สงบแบบนี้มันเป็นคนละเรื่องดียนลูกคนแก่คนละดอกกันแล้วเอาไปไขมันจึงไม่เข้ารองเข้า้อยกัน ถ้าเป็นลูกของมันจริงๆเอาไปซุกเขาแล้วไขออกมาทันทีจะมารับรองได้การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแต่ไม่ต้องหลับตาเคลื่อนไหวโดยวิธีการรู้เอาไม่เกินสามปีไม่ถึงเจ็ดปีเด็อันนี้รับรองได้คำจริงๆนะไกล้ทิศกับบุคคลผู้ที่รู้จริจรงๆนะอา้าวให้เวลาเก้าสิบวันไม่มากก็น้อยเชื่อนจะรู้ขึ้นมา จากธรรมชาติมาจริงๆเหมือนกับคือเม็ดแต่มันมีแล้วแต่เราไปเพาะที่เป็นซุ้มมันเย็นเมื่อไปตกที่ซุ้มที่เย็นแล้วมันก็จะงอกขึ้นมา ท, าทันทีถ้าไปตกที่มันไม่ซุ้มไม่เย็นมันก็นานงอกบ้างถ้าไปเพราะที่มันใกล้ๆกับไ ฟ, ลไฟไเลยไฟไหมเไปไม่งอกคนมีเป็นย่างไงอันที่พูดไี่ก็เช่นเดียวกันดังนั้นเราไปมัวจะให้ทาน มัวรักษาสิ่งมัวทำความสงบแต่เราไม่รู้เลยสงบแบบนั้นมันยังเดือดร้อนเลยอันนี้สงบก็ได้ยังไงก็ได้ใครจะพูดเรื่องไหนก็ได้แต่เรารู้สมมุติเรามันอยู่ได้ให้นูกจากสมมุติจริงๆรเดี๋ยวนี้คนมันติดสมมุติจึงมันไม่รู้สมมุติสมมติจึงเป็นฟ้าบังจากสุขไม่เป็นอย่างไรตัวเองของอาตมาคนเช่นเดียวกันเคยติดมาแล้วเรื่องนี้เจ้า ก, การพูดสมมุติให้คนฟังเนี่ยคนไม่เข้าใจ เพราะมันไม่เคยได้ยินได้ฟางเนี่ยมันได้ยินแต่สมมุติใครก็รู้เนี่ยสมมุติอย่างอันสมมุติน่ะมันรู้แต่มันไม่รู้เมือนกับความคิดน่ะใครคิดก็รู้แต่มันไม่รู้มันคิดแล้วเข้าไปในความคิดเลยเนี่ยพอได้เข้าไปในความคิดมันไม่รู้ความคิดแล้วมันก็คงคิดลากไปเลยมันก็ไม่เห็นความคิดน่ะเป็นอย่างนั้นอันรักษาศีลก็เช่นเดียวกันมัวไปรักษาศีลห้าปานาไม่ให้ฆ่าสัตว์อธินาไม่ให้ลักของเขา กามเมไม่ประพฤติผิดแต่กรรมมุสาไม่โกหกศุราไม่ดื่มนมเมาไปรักษาอันนั้นไม่เคยดูใจตัวเองเลยมะะันก็ดีอันนั้นก็ดีอาตมาไม่ได้ว่ามันไม่ดีดีแล้วนกักดีบัดนี้เราไม่ต้องไปรักษาถิ่นห้าก็ได้ <c oughs> ดอย่างนโยมเกิดว่าทําลายหลักพุทธศาสนาแล้วไม่ได้ทำลายนี่แหละตัวจริงทําให้หลักพุทธศาสนาจเจริญขึ้นมาได้จริงๆ เมื่อมาดูสภาพจิตใจของเราเล้วมันกินกันไปทั้งหมดเลยจิตใจบางคิดไม่ดีเราบังคับได้เพราะเรารู้สึกใจเราแล้วนี่เมื่อการเคลื่อนไหวทางรู ก, กายเนี่ยไปทางไม่ถูกต้องเราบังคับได้เพราะเราเห็นกายเราเองใจเราเ น, นี่ตัวศีลวันนี้มัวไปรักหาศีลเนี่ยไม่ได้ดูใจเรายกมือไหว้ขึ้นปานาไม่รักของเขาอาชินาไม่เออปานาไม่ฆ่าตับพูดพผิดแต่จริงหลง านามให้ข้าตัดอาที่นามให้รักของเขากรมนามให้ข้าตัดอาที่นามให้รักของเขากรรมในแม่บุพพิตรในการมุสาไม่โกหกแต่พตระสงก็โกหกได้นะอาตมาเคยเห็นนักโกหกทําไมจึงว่าโกหกโงโกรธโยมในหน้าดําหน้าแดงเพื่อทำความเข้าใจกันสิงสองร้อยยี่สิบเจ็ดกว่าตามสิงสามร้อยกว่าตาม สิบสิบสิบแปดสิบห้าข้รวมมาที่จิตใจทำงานจิตวิายาสูตรพระวินยัยพระิธรรมสามปีดก็รวมมาถึงที่ใจทำงานการศึกษาที่ใจนี่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดและทุกคนทําได้อย่างนี้นว่าจะทําให้ซื้อเสียงหรือจะทําให้ซื้อเสียซื้อเสียกับซื้อเสียถามแล้วมันจะเห็นทำให้ซื้อเสียงดังขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งเกิดซื้อเสีย คือที่ใจมันเสียไปมันเนา่าเหม็นเปียกเจะอยู่ข้างใ น, นเราไปมุ่งหวังแจกเงินเดือนมุ่งหวังแตกให้คนยกย่องไปอันนั้นมันเสียมันเสียมันเสียเกียดในทางพุท ธ, ธาศาสนาเราไม่ได้วิวัตรพัฒนาในจิตใจเรามัวไปพัฒนาตั้งแต่ภายนอกต้องการหางานให้คนทําต้องการให้คนทุกคนอยู่ดีกินดีแต่อยู่ดีกินดีใจมันไม่ดี เรามุ่งหวาดปัญหานั้นมากกูว่าเดนะี้บัด น, นี้อันนั้นอาจจะมาก็ไม่ห้ามแต่มันดีแล้วเนะี่ยแต่ว่าอยากให้มาเอาทางนี้พรเรื่องจิตใจได้แล้วเอาเรื่องจิตใจไี่แก้ปัญหาตัวนี้แล้วอันนั้นมันเป็นผลพอยได้อย่างที่เราทําจังหวะได้ก็เหมือนกันมันเป็นผลพอยได้ความสงบมาพลิกมือขึ้นรู้สึกตัวเนี่ยเอาไว้ทอนี้รู้สึกนั้นคั้ ว, ว ม, มือลงมารู้สึกควมไม่รูปอยู่ที่ไหน เห็นไหมไม่เห็นเลยความไม่รู้ไม่ไม่เห็นเล ย, มมเเลยแต่ความรู้สึกที่มีไม่มีอ๋อโยมตามกรรมปั้นเนี่ยคํามนั่นรู้สึกตัวที่นี่อ๋อคิดตารู้สึกความไม่รู้อยู่ที่ไหนหาไม่มีเลยแล้วก็ศึกษามาใกล้ใกล้จีว่าทําได้ความรู้สึกในความไม่รู้ทําไม่ได้เมื่อมีความรู้สึกมากๆความไม่รู้มันจะคลอยไหลหนีไปไหลหนีไปเหมือนกับเมิพพุน เม็ดฝนมันตกอยูตามภูตามเขาไกลๆจะตกลงปั๊บเดี๋ยวจะซึ้มึลงไปสู่ทะเลให้หมดเลยดังนั้นการกระทาทุกอย่างมันจะลงมาสูที่วใจทางนั้นลงมาหาจิตใจทางนั้นแต่เรามาทําตัวนี้มันจะกระจายไปได้ทั้งหมดเลยเมื่อกับทางสายเอก <c oughs> ทางสายเอกเทวัญในทางถนนใหญ่ๆที่ทางมีทางมารวมขางเดียวบ้านทางสายเอกครับ คือเช่นนั้นมารวมที่นี้มารวมรอออันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเรามาจับคมเคลื่อนไหวนี่แล้วเนี่ยมันจะมารวมควมเคลื่อนไหวตัวนี้ทั้งหมดเลยแ่ใจมันมองไม่เห็นนะแต่ว่ามาศึกษาคามเคลื่อนไหวตัวนี้แหละทิศมือลู่สึกตัวขั้ว ม, มือลู่สึดตัวเดียวมันก็จะทิศตา ก, กระลู่สึกเข้ามาหายใจกรลู่เข้ามาใจมันคิดกระลู่ขึ้นมาทันทีเลยเดี๋ยวนี้เราไม่รู้รู้แต่รู้คิดมันไม่เห็นกับคิด ดังนั้นจึงว่าให้มาศึกษากับผมรู้สึกอันนี้มันทําได้เนี่ยทุกคนทําได้เนี่ยเพราะมันรู้สึกตัวนเนี่ยพอดีมันคิดก็จะเห็นจะ่รู้ทันทีเมื่อถูกเห็นถูกรู้แล้วผมคิดมันจะหยุดไปหรือมันไม่หยุด ก, ก็จะไปยุ่งกับมันตําลาอันนี้ถามถามเพื่อนหลายคนถามผู้ที่เรือนมาแล้วเป็นมหาป ร, รียนนะครับว่าอริยกติกับ สติปัฏฐานสี่คืออะไรถามคนละอันเขาว่สติปัฏฐานสี่กับอันเนี้ยสติโ อ, อเราไม่รู้ตำนานเดี๋ยวนี้คนมันไปติดตานาเลยไม่ได้เอาของจริงไปพูดกันสติปัฏฐานสี่เขาเรียกว่ากายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิดตานุปัสสนานธรรมานุปัสสนาเขาวา่นานเ่รื่องสติปาน อริยสัจสี่บ่เนี่อริยสัจสีว่วะทุกสมุทยัยนิโรธมากทุกกำหนดรู้สมุทัยต้องละมักต้องเจริญนิโรธทําให้แจ้งของขาพูุณอย่างนรเขาเขาเรียนมาบัดนี้ทุกกำหนดรู้น่ะแต่บางคนนอนไม่หลับรู้จึงเข้าไปเป็นอุปทานนักศึกษาเรียนมาได้ปริยต ร, ยรีปริยโทปริยเอกมาหลายคน เคยมาหาหลวงพ่อมาถามทุกนวนไม่หลับเลยกําหนดรู้ทําไมอย่างนั้นพรทุกก็จะว่ากําหนดรู้สมุทัยต้องรูเนี่ยไม่รู้สมุทยัยตัวสมุทัยคือตัวคิดตันเองอาจจะมามาอยู่ที่จังหวัดสยนต์ปูเนี่ยมาบอกข่าวดูที่ดูใจนะเบิ้งใจนะอาจจะตีเลยคนจังหวัดสยนต์ปูไม่รู้แม้คนไทยแท้ๆพูดภาษากระนู้แต่ไม่รู้เลย เขาว่าแหนมแหนมมาจนเครึ่องบินไปจริงกันโอ้พวกนี้เหมือนว่าแหนมเราว่าดูกันกับคนนักข่าวติดแค่วันเดียวแล้วก็เลยเอาเอาใจดูแห น, ม, แนมใจเราคิดๆเขาก็เลยรู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาแต่มามาสอนกับมาถายอยู่ที่นั่นนานเขารู้ดังนั้นจีว่าภาษาคําพูดนั้นอย่าไปติดเหมือนมากเกินไปเอาความจริงมาพูดกันทุก การเคลื่อนไหวนี่มันเป็นทุกข์เราไม่เห็นด้วยปัญญาอาตมาเข้าใจอย่างนี้ทิฏตาหายใจเป็นทุกข์มันเป็นก้อนทุกข์นะสมมุติไทยต้องละคือตัวคิดมันคิดเนี่ยออกนอกตัวเราไปเราไม่เห็นไม่ดูไม่คิดไ ม, คไม่คันนื้อมันคิดไปผลของมันออกมาก็คือทุกข์นั่นเองเนี่ยต้องพูดละมันให้รู้มันจริงๆเรื่องนี้ถ้าไม่รู้มันละมันจะสร้างขึ้นมาเป็นภาพทุกข์ เอาความทุกขมาให้เราจริงๆมักต้องจเจริญเนี่ยมักก็คือมาดูจิตดูใจทําวามรู้สึกตัวนี่เองเนี่ยมักต้องจเจริญทาอันนี้ให้มากเนี่ยเป็นการภาวนาแล้วบร้อยเป็ น, น, ป น, านาภาวนาภาวนาไมยะปัญญาแล้วบ น, นี้ยปัญญาจะมีมาที่ตัวนี้มีโลดทาให้แจ้งบ้างเนี่ยทาให้แจ้งเนี่ยคือนีโลดท้นไปในนี้แจ้งแจ้งอะไรแจ้งตัวเอง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 บัดนี้ไม่ต้องขัวผีและต้องกราบผีและมีแต่จะบังคับผีตั้งนันไม่ให้ผีเข้ามาใกล้เลยกราบเทวดาไหว้เทวดาให้เทวดามาอยู่ที่เราแต่ไม่รู้ว่าเทวดาอยู่ที่เราแล้วก็ยังไม่เห็นแล้วมันจะได้ทำไหมเหมือนกับไก่นั่นแหละเพ็ดราคาดีไม่รู้เครียทิ้งไปคนจึงชอบลืนตัวมุ่งหวังแต่อยากไปพัฒนาที่นั้นทีน่นี้ไม่เคยพัฒนาตัวเอง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 จงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราแต่ถาคตนี้เสมอเมื่อประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราแต่ถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นอยากเป็นจะมีอย่างเราแต่ถาคตนี้เราไม่ทําตามเลยเราก็ไปรักษาศีลไปทํำคนส ง, งบเนี่ยจะไม่รู้จักว่าศีลคืออะไรไม่รู้เลยมันเป็นอย่างนั้นเลยจริงว่าอยากเตือนกันศีลสองร้อยสามร้อกวาตั้มมันมารวมที่ใจนี่เอง ใจนี่สําคัญเมื่อเรารู้เท่าทันเหตุการณ์ของจิตใจแล้วสิ้นสองร้อยเป็นผลผลวยได้สิ้นสามร้อยเป็นผลผอยได้ทําความรู้สึกเนี่ยมันเป็นผลผอยได้กับความเห็นแจ้งเรื่องวิปัสนาต่างเก่าล่วมขาวาเดินมนั่นเองมันเป็นผลอันนั้นผลวยได้มาจากเพราะําอันนี้จงเหตุมันอันนี้ผลมานั้นได้มาเหตุมันยุติธรรมเราไม่รู้จักเหตุมันเลยเราก็เอาแต่ผลมา อา จ, จมาชอบแบบการจะเลิญอย่างนี้อาจจะมารับรองจริงๆนะเพราะตัวเองทํามาแล้วเด็คนอื่นก็ต้องเหมือนกันที่ถ้าพระเจ้าท่างก็สอนเนี่ย ท, ทั้งหลายเราผู้เป็นปฐาคตไปถึงแนวแห่ง น, นะไปถึงที่ไหนท่านขึ้นเครื่องบินไปไหมทางรถนั่งรถยนต์ห้ือท่านนั้นรถเก๋งไปยังไม่ไปเห็นเนี่ยคนอินเดียนะเห็นไหม เ, ออเราไม่ไปเห็นนะ ท่นจะไปที่ไหนขอกกล่าท่านนั่งอยู่ที่นั่นพระพุทธเจ้าตัดสั้นเพราะการทําทางจิตทางใจทุกคนเคยได้ยินอย่างนี้และก็พูดอย่างนี้ติดสุกติดปากกันมาเป็นอย่างนั้นแต่การกระทาเพื่อเป็นนั่งให้หมันสงบตความสงบแบบนั้น่สงบแบบนางแบบไม่รู้นี่ว่าสงบแบบไม่อยากรู้อัะนนะั้นธรรปฏิวัตสงบแบบไม่อยากรู้ความสงบสงบแบบอยากไม่รู้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 ถ้าไทยไปนั่งสงบบ ม, ม, มทุกคนเอาเมืองไทยใครจะทํามาหากิดใครจะหาเงินหาทองใครจะเป็นตำรวจทาหารใครจะรักษาประเทศชาติบ้านเมืองเราได้อันนี้แหละที่อาจจะมาคิดทําไมสอนกันไปอย่างนั้นแต่ควมรมึงไม่เอามาสอนกันเลยสอนก็นจะเรื่องตาํารามัวไปทําความสงบกับตาํารามัวไปรักษาถิตกับตาํารา เลยไม่ได้มาดูใจตัวเองเนี่ยมันก็สงบจิงอันนก็สงบเทวดาใจมันไม่สงบนั่งอยู่ที่นี่จิตใจมันคิดไปห้อยอันพันเรื่องบางทีก็เห็นผีเห็นเทวดาเห็นอะไรไปกี้ประทะเพราะจิตใจของเรามันหลอกเรานี่คนบูราณท่านสอนเอาไว้จิตใจได้ออกกลับได้ไวมันเร็วที่สุดบุตรมีล้านไถในตนเราท่านควรบังคับกน ให้จิตหมุนมาในทางข้างดีเพราะเมื่อปล่อยให้หมุนไปในทางข้างดีทาที่มีก็จะหนีจากนายหายสูงถ้าทำเข้าเฝ้างำพวมระยสำสมบูรณ์ครบี้ยนออกหลอกตอนนี่จะไปเห็นผีที่ไหนเราไม่เห็นผีที่ตัวเราจะไปเห็นดวงแก้วที่ไหนเราไม่ได้เห็นดวงแก้วที่เรามันก็เอามาหลอกเราเท่านั้นเองเนื่องจากไม่เห็นจิตใจนี่เอง ดังนั้นคําว่านิมิต ก, ก็คําเดียวกันนี้นิมิตเป็นเครื่องหมายเราก็ไปเห็นออกนั้นเป็นนิมิตใกลใจเห็นทำแล้วมันเห็นจริงอะไรแต่ของที่เห็นนั่นไม่ได้เป็นของจริงเป็นของหลอกรวงดังนั้นคําว่านิมิต ก, ก็ให้เราเข้าใจว่านิมิตเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจจริงๆการจเจริญแบบนี้มันจะคนประหยัความทุกได้จริงๆอาตจมาไปอยู่ที่ไหนก็ต้องชอบเรื่องนี้ เพราื่องนี้ม่เป็นหัวใจของคนก็ว่าได้เป็นหัวใจของพุทธศาสนาก็ว่าได้หรือเป็นแกนกลางของคนก็ว่าได้หรือเป็นแกนกลางของพุทธศาสนาก็ว่าได้จะว่ายังไงก็ได้ตัวาศาสนาจริงๆคือตัวทุกคนนั่นแหละเป็นตัวาศาสนาตัวพุทธศาสนาคือตัวสติตัวปัญญาของทุกคนนั่นแหละเมื่อมาจเจริญทำถูกส่วนถูกจังหวะมันแล้วขวุมเป็นเองมันมีเอง จะมันไหลไปสู่สภาพของมันเองเหมือนกับเม็ดฝนที่มันตกอยู่ภูเขาบ้านหลบเข้ามนเป็นภูเขาฝนตกมันจะไหลลงมารวมคลองไม่น้อยเข้ามาคลอง น, อน้อยจะเป็นคลองใหญ่ขึ้นไปมันจะลงไปเส้นน้าโขงน้ำโขงมันจะไหลลงไปทะเลอันนี้ก็เหมือนกันเรารู้สึกตัวอันนี้ก็เหมือนรู้สึกตัวนี่รู้น้อ ย, อยรู้พวม้มรู้หายรู้คิปตารู้เอียงใ้เอียงขว ลูกคืนน้ำลายลู้หายใจเข้าหายใจออกเดียวกับลู่ผมคิดขึ้นมาทันทีมันจะรวมกันเข้าไปเหมือนกับสายแม่น้ำย่างี่วานกับเหมือนกับทางเอกเพราะทางมันจะไปรวมที่ตรงนั้นจริงๆพวกคนต้องมาที่นี่ไปทางอืนแล้วเป็ว่าทางตันเป็ว่าทางตันทางนี้เป็นทางตรงไปจริงๆใครเดินได้แล้วสบาย ไม่ยกเว้นไม่เป็นของไขเนี่ยเรียกว่าสาคนพุทธศาสนาจึงสอนคนได้ทุกนุคทุกสมัยไม่มีคำว่าพระพุทธเจ้าสอนไม่ได้ไปไม่ทันไม่มีแต่คนไปเข้าใจว่าคนใดเข้าวัดฟังธรรมนะถือสินจินเจคขึ้นคะอะไรคะจะว่าหลวงพ่อไม่รู้คาว่าขึ้นคะไม่เครู้ขึ้นหมายถึงอะไร ไมมสมัยไหคะคลืคนะอ๋อเกาแก่าแก่เป็คนโบราณเป็นคนโบราณด้วยาไม่รู้ไม่ใช่าไม่ใหม่อันนี้ข้อเป็นคนคลืเป็นคนที่รอยู่นี้คนคืวอ๋ออันนี้แหละมันทันสมัยจริงๆริงอัตมาเขาจะว่าทันสมัยจริงๆนะคำสอนของพระเจ้าเนี่ยไม่คึกไม่ิกไม่อะไรนะ แล้วมันคนใหม่แต่คนมันไม่เข้าใจอย่างนั้นก็มันไม่เข้าใจแล้วจะไม่ให้เข้าใจทางไหนเพราะมันลืมมานานปีแล้วจังหวัถนนหนทางเครื่องบินรถบุนมันเจริญมันเข้าตาเข้าหูมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆจิตใจก็เลยไม่ได้มาพัฒนามันก็เลยตกต่าไปเหมือนกับขยะหรืออะไรเนี่ยมันตกกบหนักเข้าหนักเข้า ก็ไม่มีคนใดมาพื้นคูเรื่องจิตใจยังมากที่สุดก็เป น, นั่งสงบเงียก็นั้นเองนั่งเองดังนั้นพวกเรามาที่อยากให้ฝึกกันเดินไปไหนมาไหนดูบึงจิตใจมันคิดนางพูดทว่าดูนะทั้งนี้จะว่าอย่างไงว่าดูด้วยกันนั่นไงมันคิดอย่าไปถือตามมันเพราะมันบังคับมันไม่เอามาคนรูส้สได้ทุตติยมรู้สึกสผมคิดมันก็หยุดเข้ามาทําแค่นี้เอง มันจะไปถึงที่สุดของทุกได้จริงๆรับรองร้อยกปอเซ็นที่สุดของทุกหมายถึงอะไรเราเคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าต้องเข้าสารตายเย<ม>เข้าสารานิพพานนิพพานไม่ได้ไปเข้าสารอย่างนั้นนิพพานหมายถึงตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาตัวนี้มันรวงเข้ามาแลวตัวนี้มันเข้าไปถึงจุดนั้นตัวที่รู้อันนี้มันเข้าไปถึงจุดนั้นแล้วเข้าสาน สารไม่ก็้หอกแต่อย่างที่พูดเนี่ยมันจ็ไปทำสารอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งอันที่พูดเนี่ยมันต้องเป็นดังนี้ทุกคนเนี่ยมีคนตายไปไม่ได้เนี่ยที่อาตมาเคยพูดบ่อยนะวะ่าต้องศึกษาเตรียมเนื้อเตรียมตัวเอาไว้เนี่ยทุกคนต้องไปนี่จริงๆแต่เรารู้เสียวันนี้จะดีกว่าเขาใจอย่างนี้นะ่ะอาตมาเดินไปตอนเช้าอันเนี้ยแต่รู้คมคิดตอนแรงตอนมาลู่อันนี้ตอน โอ้โหไม่เคยมีเลยในชีวิตนี้แต่ทุกวันเนี่ยมันสนุกมันสนุกมันสบายมันพอใจจวเรามีชีวิตอยู่ได้เพราะพวเข้าใจเรื่องนี้เราอยู่ได้ก็เพราะเราเข้าใจเรื่องนี้เรากินได้ก็เพราะเราเข้าใจเรื่องนี้จิ๋ว่ะอยู่ด้วยธรรมกินด้วยธรรมไปมาที่ไหนก็ไปด้วยธรรมะธรรมะจเป็นการกะทําอันนี้เป็นธรรมอนนันหนึ่งนะ แต่ทางใจมันนึกคิดตัวมันจะเข้าไปเองเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึง่งมันเป็นอย่างทีแรกมันจะรู้เรื่องรูปก่อนเมื่อรู้จบภาวะเรื่องรูปแบบมันจะเป็นรู้สภาวะหมายถึงวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกวัตถุคือโทตะโมหะโลภะนี่เองสิ่งนั้นจะลดน้อยเบาไปเบาไปความยึดมั่นคือมั่นเบาไปเบาไปก็จะไปรู้จักสิ้นสิ่ก็จะเบาไปเบาไป มันจะเข้าสูสาาาาาส่สภาพเดิมของมันจริงๆเมื่องานกายในเข้าสู่สภาพเดิมของมันแล้วใจมันเข้าสู่สภาพเดิมของมันตัวนั้นแหละตัวคนทุกคนจะหมดลงหายใจเรียกว่าดับชีวิตลงไปเรียกว่าองไรเนี่ยบอกคุปาที่เสียสติผ่านเร่องไหนครันนี้ตมีผ่านไปเนี่ยคาว่านิพผานไม่ใช่ตายแล้วนะนี่เราควรศึกษ า, ามาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเราไว้เดี๋ยวนี้นดีอันนี้เนี่ยคนไปเข้าใจตําราว่า อะไรเข้ า, าไปแต่กับพระพุทธเจ้าตายที่ไหนเนี่ยเข้าใจาไหมมันจะไปเข้าร่วมกันได้ทําไมมันก็นดูโอ้สภาพมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้คนนั้นจะหมดลมหายใจก็ต้องไปเนีย่ยเราก็ต้องทําของเรา่าิีคนนั้นก็ต้องทําของคนนั้นทีเพราะมันมีทุกคนเนี่ยมันยกเว้นไม่ได้ในเรืงนี้เนี่ยอาตมารับรอง <c oughs> ทําไมจึงรับรอง <c oughs> เพราะมันเป็นทุกคนเนี่ยผู้หญิงก็เป็นอย่างนี้ผู้ชายก็ต้องเป็นอย่างนี้มีเงินซื้อได้ไหมไม่ได้มีจต่แสนล้านก็ซื้อไม่ได้เรงนี้ มีความรู้จบด็อกเตอร์จะทำด็อกเตอร์ได้ไหมไม่ได้ไม่ทําไม่ได้กยกับการพูดมื่นคาแสนคาสู้การกระทําไม่ได้คนจนทําได้ไหมไม่ได้คนไม่จนก็ทําไม่ได้ถ้าไม่ทำเอาเองคนจนก็เป็นคนรวยก็เป็นเรียนหนังสือก็เป็นไม่เรียนหนังสือก็เป็นแต่ให้รู้วิธีเมื่อไม่รู้วิธีการแล้วการกระทํานั้นจะพลาดไปจริงๆ ให้เข้าใจว่าการกระทําจากภาดจริงๆนะหลักพุทธศาสนาสอนคนให้ผนแก้ปัญหาตัวเองสังคมเป็นผลถ่อยได้สังคมเป็นผลขอยได้เข้าใจอย่างนี้เพราะทุกคนต้องการผวมเย็นอยู่แล้วนี่อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรารู้สึกตัวนี่มันจะรู้ไปเป็นผลถอยได้กมโลกกลมโอกลมหลงมันจะเป็นผลถอยหมดไปเราจะเป็นผลถอยได้ควมเย็นมา้า มันจะได้มาทีละนิดทีละนิดทีละนิดคนนั้นเองดังนั้นอาเ น, นส่งการเจริญสตินั้นตําราพูดแต่อาเ น, นส่งการทําคมรู้สึกตัวนี่ภาษาบ้านเราพูดเรียกคนไทยพูดสติคนระลึกได้อันนั้นกับตำราพูดสติคมรู้สึกตัวนี่ภาษาบ้านเราพูดอันระลึกได้เอาของไปวางได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปไว้ที่ไหนน้องมาคิดเอา อันนั้นไม่ได้เป็นสติอันนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นคมรู้อันนี้เอาปัจจุบันเท่านั้นเองอนนันเอาของไปวางไม่มันลืมไปคิดถึงอันนั้นโอ้เด็ก น, น้อยขาไปคิดได้พูดอะไรกันเราไปติดตำหนาเกินไปพระพระเจ้าท่านอย่อางอดีตอนาคตนั้นอย่าไปพึ่งกําหนดเอาปัจจุบันคาว่าปัจจุบันก็หมายถึงมันรู้ทันทีนี้เองมันพิบตารู้ว่ามันคิดไปทั้งเบื้องไหนอย่าไปกำหนดมันมันควบมือลงมาค้นเรื่องไหนวิธีนีอย่าไปกําหนดมัน เอาเพียงรู้ตึกตัวก็พอแล้วเนี่ยจิตใจมันนึกคิดขึ้นมารู้เท่าทันมันคิดเรื่องอะไรไม่ทกี้ก็ไม่ต้องไปสร้างขึ้นหมาเลยอันนั้นโอ้มันพลิกมือข่วมลงไปเยอะมันสร้างขึ้นมาแล้วไปยันมันรู้อย่างนั้นยันมันรู้มันสร้างขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเลยมันคิดเรื่องอะไรเมื่อกี้เนี่ยไปสร้างขึ้นมาแล้วมันเพิ่มจิตมันไม่รู้จึงว่าคมรู้มีอยู่สองอย่างท่านจิตวิชาคือความไม่รู้มันรู้ แต่มันตัดปัญหาไม่ได้ทันเดียวว่าปัญชาไปว่าไม่รู้ทันว่าปัญหาไว่าไม่วิชาไปว่ารู้ดม่รู้อะไรมันรู้ไปรู้ไปด้วยมันก็เลยไม่รู้ของจริงได้คนนั้นเองดังนั้นของจริงในจังว่าอริยสตจับอนุญาตสั่นเนี่ยอาริญาตจับอาริไปว่าฆ่าสึกเนี่ยเปพคนไปสัจจะเรื่อของจริงไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันทันว่าไปว่าสัจากที่มีของจริงจริงจริงอนี้ ทุกคนอาตมาก็ย่อมีแล้วเองมีแ้แต่สิ่งนั้นยังไม่ปรากฏเท่านั้นเองเพราะเราไปเพาะไม่ถูกจุดไปเพาะใสไก่น้ำํำมันก็เลยไม่ซุ้มไม่เย็ น, นกันนานงอกขึ้นมาถ้าไปเพาะใกล้น้ํามันจะงอกขึ้นมา ท, าทันทีไม่ว่าใครเลยเม็ดข้าวทุกเม็ดอาตมาเคยเตียบเอาไว้เอาไปงอกที่ซุ้มที่ย็นงอกทุกเม็ดข้าวเจ้าก็งอกข้าวเหนียวก็งอกถ้าเขาไม่คนไม่เก็บไมงอกไปเพาะไม่งอก ถ้าไม่มีไนอีกก็ไม่งอกเส็จเลยถ้ามันไม่อ้วนไม่เต็มพอปานใดปานนึงเนี่ยจะงอกพอได้ถ้าไม่มีไนแล้วจริงๆแร้วไม่งอกมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยที่นํามาเล่าให้ฝังนี่ตั้งใจจริงๆที่นํามาเล่าให้ฝังเนี่ไม่ปิดบังเลยไม่ใช่เป็นของที่จะปิดบังได้เนี่ยนี่จะไม่ต้องโกหกไม่ต้องหลอกลวงกันตั้งหมื อย่าไปติดตําลามากเกินไปและอย่าไปทิ้งตําลาหันถ้าไปติดตําลาฝังอยู่กับตําลาแล้วเราจะไม่ได้ดูตัวเราตาลาเอาไว้ปล่อยไว้ที่นั้นแล้วเรื่องการให้ทานการรักษาศีลการทําคนสงบก็จะมารวมจุดนี้ในเองบ้านอาตมาเรียกว่าเข้าผีเข้าเข้าใจเข้าผีไหมเข้าผีเคยเคยได้ยิน ไ, มไหมถางเคยได้ยินแต่ผีเข้า ผีข้าวโอผีเข้าวพลนะือเข้าผีบ้านหลวงพ่เรียวเข้าผีเข้าผีเข้าไม่มีไนกินไม่มีรถเด็กเคยเคยรู้จักไม่เข้าผีบ้านหลวงพ่อทําเยอะกันแ่ละชาวกรุงเทพเพราว่าผีข้าวชาวพิษานเพราะว่าเข้าผีอ๋อมันตกมันข้าข้วผีจะเล่าเรื่องเข้าผีให้ฟังนะข้าวผีบ้านอาจจะมาทํานานะทํำนานแล้วมานองข้าเหรือยังไงกัน ฟังเรื่องข้าวถีบ้านหนวงพอ่อทำนากันทางทางท่ากางก็ทำนาเหมือนกันข้าวเราแปทางนี้เอาเอาปวยไปไปเหยียดกันบ้านหนวงพ่อจะเอาข้าวปีกตีอย่างนี้แต่ข้าวปีกตีปลาปุกปุกปลุกตีมันมันล่นลงกมาแล้วข้าวไม่มีนายเขาล้นเหมือนกันบันนี้คนเจ้าของข้าวคนทำนานะี่ยมันเอาวีเรียกว่าวีใบผัดปัดตอกปัตอกเข้าไปไม่มีไานมันออกไปอยู่นอกหลาน กนอกไปวันนี้เวลาจะเอาเข้าเข้าไปในบ้านมันก็ต้องเอาเข้าเอาไม้มาผ้าเป็นเป็นโพงเดี๋ยว่าผ่าโพ ง, งนี้ว่าอย่างไรถ้าตรงกลางเลยเป็นเป็นเป็นรูไม่ว่าอย่างไงใช่ไหมะว่าอย่างไงกันไม่ไม่ไม่ปลองเนี่ยผมไม่ไผ่ไม้เอลโกตามผ่าลงไปเป็นรูตรงกลางนะเข้าใจไหมเหรอแล้วบะเนี้เฮ็ดเป็นลูกเก่งใี่ข้างล่างมันเนี่ เราเอาเข้าเข้าไม่มีไนท์เขาดีบบ้านหนองคายเขาดีบเอาใส่อา้ารแก้ไปให้ผีให้ผีเอาอันนั้นแล้วคนไหนผีเอาเข้าไม่มีไนท์เขาเรียกว่าเข้าผีเข้าผีเข้าไม่มีไนท์ดังนั้นเราทําบุญก็เช่นเดียวกันเรากินไปข้าวผีข้าวมีไนท์จริงๆเราไม่ได้กินเลยการแสดงทําให้เราฟังจริงๆก็ผลมัน น, อน้อยที่ว่าความจริงไม่ค่อยแสดงเอาแต่าอาหารไม่มีรส พันธะพูดไม่พูดถึงเข้าผีก็ด้ว่าเอาแต่ก้ามแต่กระดูมาให้คนกินแต่ความจริงคนกินเนื้อมันอาจะมาพูดไม่ตัวแมวกับสุนักกินก้างกินกระดูกมันคนกินเหมือนแล้วเนื้อมันอันนี้ก็เช่นเดียวกันการทําบุญคอตาการรักษาสิ้นคอตามการทําความเสื่อมคอตาเราไม่ต้องการกินเนื้อมันเราต้องการกินกระดูกกินก้างมันอย่างเป็น การทำบุญการรักษาถึงกัเช่นเดียวกันเราไม่ต้องการเข้ามีไหนเราต้องการเข้าขี่เข้าไม่มีไหนดังนั้นมาที่นี่ต้องการให้คนทุกคนมีสิทธิกินเนื้อมานจริงจริงและทุกคนมีสิทธิเอาเข้ามีไหนจริงจริงถ้าหากว่าเราทําถูกต้องแล้วการกระทํำก็ดีการพูดก็ดี ทุกอย่างดีทั้งนั้นเพราะมันเป็นเครื่องหมายไม่ใช่หมายอย่างที่ตัวตะมานี่นะไม่ใช่หมายเอาผ้าจีวรมาเนี่ยเครื่องหมายภายในจิตใจมันเลงเห็นอยู่เงี้ยเดียววามีนิเดเดียวเข้ามามันจะเลงพูดเรื่อนนนงนั้นเข้าไปอันนั้นพูดทัะแล้วเข้าไปอันั้นเองอย่างนั้นที่สุขของทุกที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นี่ทุกคนมันจะรู้จักสภาพรู้สึกคนสภาพเนี่ยมันจะเข้าสู่สภาพของมัน ตอนมันจะเข้าสู่สภาพของมันเหมือนกับไฟฟ้าเรากดปับบอะเสียแสงมันสะว่างเราจะไปจับหอดมันไม่สว่างเลยเราต้องกดสวิตช์แบบ น, นี้กดสวิตชปับ๊บมันไปสว่างที่เราทเลยมันจะไปสว่างอันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้เราเหมือนกับคนที่ไม่เคยไฟฟ้าเอาไปติดไฟฟ้าไ ป, ไปเปิดไฟฟ้าคนไม่เคยรูม้มันไปหมุนหลอดมันเลยหมุนจนตายแล้วไม่มีแสงเลยเพราะมันไม่เป็นสมุทฐานของมัน คนวิศรัติเขาจะเข้าไปจับสิทธิภาพกดเข้าไปดันทคพวมตายก็เช่นเดียวกันไม่ต้องไปเตือนนะว่าตั้งสติดีๆนะตั้งสติดีๆไม่ต้องเตือนเลยเตือนเย่ยเพราะมันรู้จักวิธีจับพลึกระไฟฟ้าอยู่แล้วนี่มันเป็นอย่างไ่ไหเดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักไม่รู้จักก็ไปเตือนแล้วคนที่ไปเตือนก็อย่างไม่รู้เองมันจะเป็นมีสติกันได้อย่างไร ข่าวหนึ่งอาตมามาที่โรงพยาบาลจังหวัดสยนบูมเนี่ยมาอบรมกรรมฐานอย่างนี้แหละคราวนั้นเอามาเป็นลมเป็นลมเขาเอามาโรงพยาบาลมาก็มีคนคนหนึ่งเจ็บ ด, ดูมันถูกอะไรเจ็บมาแล้วพยาบาลเขาบอกจะล่องลูงจะล้องยิงร่งองขึ้นมาพยาบาลเขาไปจับโอ้อจะล้ อ, ลองจะดีดูงยิงร่องขึ้นมาพยาบาลเขาเหนื่อยแล้วเขาก็ไม่เอาไม่เอาใจ รักษาเลยดินไปดิ้นมาตกปุ๊บลงตกเสียงเจ็บสองเจ็บเข้ามาแล้วเนี่ยอันนี้แบบคนไม่ฟังเรื่องเจ็บแพ้เดิมเคเจ็บแล้วตกลก้มเคยเจ็บที่ส่วนหนึ่งอาจจะมาโอ้ดีแล้วมัสอนเนี่ยกรรมฐานสอนมาจริงจริงดังนั้นวันนี้จึงอยากขอแนะนําให้พวกเราจับให้มันถูกตุกจริงๆถ้าจับไม่ถูกแล้วเอาเถอะจะทํากรรมฐานจนตายก็ทําไปเถอะ จะไปทําคนสงบจิตาจกระทำไปมันไม่ถูกจุดนี้จุดนี้ไม่ใช่จุดนั้นนี่แหละลูกคนแกดอกเอฟซินซิ่พลิกมือกระรูดตึกพ่วมมือกระรูดสึกไม่ต้องพลิกการวันนี้จิตใจมันคิดรู้สึก <c oughs> แต่อยาเข้าไปในความคิดมันคิดแล้วปล่อยไปทุกสุขจะไปยุ่งกับมันเอาคุมรู้สึกตัวนี้ตัวนี้ทําได้แต่จะไปคุมความคิดจะไปคิดคุมไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวไม่มีตนเขาเรียกว่าอนัตตาแห่งธรรม บังคับบรญชาไม่ได้ไม่ใช่ว่าผมงอกฟันหักอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึง่งใครเห็นใครรู้อันนี้จะบังคับไม่ได้ไม่ น, นีจริงจริงโดยสมมุติจิงว่าให้รู้จักสมมุติจริงๆสมมติบัญญัติปรามาัดบัญญัติอัฐะบัญญัติปริยญบัญญัติบัญญัติตีข้อเนี้ควรศึกษาและควรปฏิบัติให้เกิดให้เป็นให้มีในจิตในใจของเราพึกๆคนทาได้ตรงนี้ดังนั้น วันนี้ที่อาจจะมาพูดมานี้ในขณะนี้ก็บ่ายสองโมงกับยี่สิบนาทีพอดีท้ายที่สุดนี่ก็เห็นว่าสมควรแล้วบันนี้อาจจะมาพร้อมด้วยพระสงฆ์ได้ญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่นสถานที่นี้อาจจะมาขออ้างอีเอาคุณของพระพุทธเจ้าและท่าธรรมคำสอนขององค์มสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระลันตาสาวกพระัมมาสมุทจ้มาเตือนจิตสักจิตใจของพวกเรา ให้พวกเราได้มองดูถึงสภาพหรือภาวะของจิตใจนึกคิดของตัวเองมันจะไหลไปสู่สภาพเดิมของมันให้เราทุกคนทุกคนเนี่ยได้พบได้เห็นได้รู้แนบแน่นเข้าไปในพิเวลานใกล้นี้จงทุกท่านทุกคนเธอ